ขอความสุขความเจริญจึมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอทเวทาวิตักสูตรสูตรที่ว่าด้วยวิตกคือจิตที่เหนียวนึกตึดนึกในสองด้านด้านที่เป็นอกุศลวิตกก็แบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือกามวิตก สึกนึกด้วยอำนาจความใคร่ความปรารถนาความพอใจความต้องการแล้วก็พยาบาทวิตกสึกนึกด้วยอานาจอาฆาตพยาบาทจงล้างจ่องผานประทุสร้ายเดือดเบียนกันแลว้ววญิงสาววิตกสึกนึกในทํานองในการเบียดเบียนประทุษ ร, ร้ายเบ่งกันเบ่งร้ายทําลายล้างกัน แต่อย่างนั้นก็เกิดขึ้นมาจากกิเลสประเภทราคาโลพาโทสะโมหะด้วยกันในกลุ่มที่สองก็เป็นการตรึกนึกเหนียวนึกด้วยอำนาจของกุศลที่เริ่มต้นมาจากวิชาคือความรู้ออกมาในรูปของเนคขมะนิตกคือตรึกนึกด้วยอำนาจ การมองเห็นโทษของวัตถุกรรมและกิเลสกามแล้วก็พยายามที่จะถ่ายทอนบรรเทากายจิตออกไปจากอานาจของวิจุกตัว น, นั้นคือทั้งส่วนเหตุและก็ส่วนผลเดวการบรรเทาจริงๆก็บรรเทาที่ตัวเหตุก็คือตัวกิเลสเราข้างนอกเราคงไปแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ ปัญหาสำคัญว่าเราจะให้ความสำคัญแก่เขาหรือไมต่ตอนั้นเองเราให้ความสำคัญแก่เขาก็มหมายความอาภัยในใจเรามีกิเลสเยอะเราไม่ให้ความสำคัญแก่เขาก็แสดงว่าจิตใจเราก็จางคลายกิเลสลงไปก็อัพยาปาปาดะวิตกคือตึกนึกด้วยอำนาจความแม้ข า, าพเจ้า ยุติการจองเวรจองภัยการเบียดเบียนการประตุทุรายแก่ซึ่งก็ทำให้โลกสังคมสูญเสียทรัพย์สินเงินทองชีวิตทรัพยากราธรรมชาต์อะไรไปอันเนกนันเทะเรื่องตัวนี้แล้วก็อาหญิงสาวิตกอตึกนึกด้วยการไม่เบียดเบียนมีจิตติกรด้วยกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลาย ก่อนที่จะผ่านไปก็อยากจะทบทวนถึงวิธีการที่พระเจ้าทรงใช้ชแล้วก็รับสั่งเล่าคือการที่ทรงใช้และรับสั่งเล่าเนี่ยก็หมายความว่ามาเป็นรู้ส่วนพระองค์ก็ใครเป็นคนวิตกคนนั้นก็เป็นคนรู้ใครไปเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในจิตคนนั้นก็เป็นคนปฏิบัติเอง เขาทงแสดงมาตั้งแต่เนคธขธมวิตคคือความเหนียวนึกตรึนึกด้วยอำนาจของความออกจากกามคือคิดที่จะ อ, ออกจากอำนาจของจิเลสกามโดยทรงเนตนได้เห็นว่าในช่วงใดที่จิตมันน่วงไปในเรื่องอะไรมากสิ่งเหล่านั้นก็จะเพิ่มผูดมากิ่งขึ้นสิน่งที่ทรงเงินข้ามก็จะสงบลงบรนเทาลง วันปัะหาสำคัญว่าทำยังไงจะกากับควบคุมจิตให้อยู่ในกระแสของกุศลวิตกให้ได้เพราะถ้าจิตมันเดินไปตามกระแสของกุศลแล้วกุศลที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดที่เกิดแล้วก็ก็จะเฟิม่มงูนักกุศลที่ทรงกันข้ามก็จะถ่ายถอนผ่อนคลายบรรเทาบาบางลงไป เคอย่างที่เคยยกตัวอย่างอยู่เสมอนะฮะเพราะว่ามันเป็นกฎแบบธรรมชาติเนี่ยเมือ่อเมื่อปริมาณความร้อนเกิดขึนความเย็นเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องเนี่ยปริมาณความร้อนก็ค่อยจางไปคายไปมันถอยไปจนไม่ปรากฏร่องรอยให้เห็นจากนั้นสิ่งที่เราจะได้จากความเย็นเนี่ยมันจะตามมาอีกเยอะเลยฉันจิตใจเป็นสมาธิดี นอนหลับผ่อนได้สบายไม่มีเสียงรบกวนสุขภาพพลานามัยดีอะไรแต่จะตามาเป็นแถวก็คือก็ไปตรวจสอบได้เฉพาะตัวของบุคคลดนั้นอนกระรับสั่งในส่วนของเป็นกุศล ว, ว่าลูกกรรพือทั้งหลายเมื่อเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียนเครื่องเผากิเลสทรงตนไปอยู่อย่างนี้ นี่คือหลักเลยหมายความว่าสมข้อนี้มันจะอยู่เป็นหลักอยู่ในที่ต่างๆท่านที่เคยเจริญสติปัฏฐานก็จะนึกถึงคำว่าอาตาปีสัมิจนสติมาวิทยาโลเกปิจาโดมนสสงอาตาปีแปลว่าความเพียรที่เผากิเลสให้เรารอนสติก็คือสติมีสติกำกับอยู่ตลอดกเวลาก็คือพางความไม่ประมาท่านันเอง แล้วก็สัมปชัญญะก็คือสัมปชัญญะเป็นการแสดงถึงสภาพจิตที่มีปัญญาสว่างสวยมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรตอนนี้ที่นี้สติสงใช้คำว่าความไม่ประมาณความเพียรก็สงใช้ความเพียรอยู่แต่ว่าสัมปชัญญะหรือสัมปชนะัญญะหรือปัญญาเนี่ย สงสัยคำว่ามีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้หมายความว่ามีปัญญาพิาจารณาตรวจสอบดูสภาวะทางจิตแบบนี้ก็ ร, รับสั่งว่าเนคขม่วิตกย่อมัเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบอยางนี้ว่าเนคขม่าวิตกนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ก็คิดว่าเนคขม่าวิตกนั้น ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียตนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนบุคคลอื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนบุคคลทั้งสองฝ่ายดินทางทําให้ปัญญาเจริญไม่ทําให้เกิดความขับแยนเป็นไปเพื่อเพื่อเพื่อปณิพัพพนธ์ในลักษณะดูสภาวะจิตอย่างนี้มันมันมันว่าตลอดนั่นแหละคือเรื่องอะไรก็เราจะพบว่าอย่างใน สติปัฏฐานสีเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานก็ดีจิตานุปัสนาสติปัฏฐานก็ดีหรือแม้แต่ในสรรมานุนปัสนาสติปัฏฐานตอนสมุทัยาวานตอนนิโรธวานหรือตอนว่าโดยอายตนปะปภะว่าด้วยนิวรนว่าด้วยขันเนี่ยมันก็ดูอย่างนั้นแหะดูสิ่งที่ปรากฏแก่จิตในขณะนั้นๆแล้วแต่ว่าอะไรมันปรากฏเกิดขึ้น เพจะดูสิ่งงานตามที่มันปรากฏเมื่อชัเจเรา เ, เป็นกุศลเนี่ยกุศลเราต้องประคับประคองไว้มันเหมือนอะไรล่ะมันเหมือนกับเรานั่งอยู่ในที่หนึ่งเนี่ยลมโชยมาเบาๆอากาศจใสามากสะอาดมากเราก็เริ่มนั่งเราก็เริ่มสัมผัสเราก็เริ่มหายใจไปลึกๆเราก็เริ่มสงบ มาเราก็ดูพอบริกลิ่นไม่ดีมันผ่านวูบเข้ามานี่คือไม่ชอบกุลสติก็ตื่นตัวปัญญาก็เริ่มจะ ว, วินิจฉัยถราแว บ, บเดียวหายไปเออก็แล้วไปก็ตั้งสติใหม่ก็ดูอากาศที่บริสุทธิ์อยู่ไหมทีถ้าปกลิกไม่ดีมันทยอยมาหลายวินาทีเนี่ยก็ไม่ชอบมาปรากฏแล้วก็ต้องเริ่มอันลมหายใจ หายใจก็อันอยู่นานไม่ได้ก็ถึงจุดหนึ่งเราก็ดูกลิ่นมันเป็นยังไงถตาอากาศยังสดใสยอยู่ก็อยู่ได้เพราะเราเห็นว่าถ้าอากาศสดใสเนี่ยเราก็ประคองไว้ถ้าอากาศไม่ดีเนี่ยเราก็อั้นลมหายใจไว้เันก็ปรับไปตามสภาพก็ไม่รู้ว่าวิสิ่งที่มามันคืออะไรแล้วตัวเราเองก็คือนั่ง มีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรจนประคับประคองจิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทดยท่ควาามมมไมประรในที่นี้หมายความว่าในชั้นของระดับจิตมันก็ดูที่จิตหรือจะว่า จ, จิตที่เป็นอกุศลมัน จ, จะออกมาในในกรณีที่กำหนัดขัดเกือนลุ่มหลงหมัวเมาเพราะถ้าจิต เป็นกุศลก็คือคลายกำหนัดคลายกัดเคืองคลายรุ่มหลงคลายบวมอวก็คล้ายๆจะต่างกันนะแต่จริงก็เป็นเรื่องเดียวกันหมายความว่าทัศจิตมันเป็นอกุศลเนี่ยก็ต้องมีสติมากอย่าประมาทมันอาจจะหลงเล่สเนห์งานต่างๆม า, มากตอนก่อนไปบรรยายอบรมพระใหม่ในที่หนึง กอพระใหม่ท่านนี้เป็นเครือบดีผู้ใหญ่แต่ว่าสนใจในทางศาสนาทําปกติก็ไปคลุกคลีกับอาจารย์กรรมฐานอยู่ทางภาคเหนือพระอิสานะนภัญญาของเขานี่ทุ่มเทชีวิตลงไปกับศาสนาเลยก็ไปบรรยายครั้งแรกเนี่ยเขาก็ตั้งใจฟังกันดีนะครับพอครั้งที่สองเนี่ย แล้วก็บรรยากาศก็การเองขึ้นก็มีการโต้ตอบมีการอธิบายอะไรต่ากันมีการซักถามปัญหาต่างๆแกก็บอกว่าก็เป็นห่วงพระอาจารย์ว่าที่พระอาจารย์ทำงานเนี่ยมันก็ค่อนข้างเสี่ยงมันน่าจะมีบอดิกัดดูแลรักษาบอกว่าพระไม่ต้องเป็นอย่างนั้นหรอก เรารมัระวังเอาไปแล้วกันแล้วก็บอกว่าที่กุฏิเนี่ยเมื่อเข้าห้องปับก็ล็อกกุญแจปุ๊บอยากบอกว่าประเด็นตรงนั้นมันไม่เท่าไรหรอกแต่ถ้าในขณะที่เดินเดินเนี่ยมีคนก็จ้างคนมาให้ทำลายชื่อเสียงอาจารย์เดินเดินอยู่เนี่ยเขาก็เดินสวนมาหรือยืนอยู่เนี่ย เขาก็ไปโจนเข้าตะครุบแล้วทํำยังไงก็คือว่ายังนึกนะฮว่าเออชาวบ้านเนี่เขาละเอียดอ่อนนะความคิดอย่างนี้ยังที่เราก็ไม่ได้คิดอะ่ะแล้วก็ตามปกติมันก็สมาธระวังตัวสมาธิขเขาไงคือมาเขาไม่ประมาทกล้วน่ประมาทเนี่ยคือไม่เผลอเร่อไม่หลงลืมไม่เลอะเลือนไม่พลังพลาด ก็คือการไม่ขาดสติกนันเองธรรมะข้อนี้จึงเป็นชุดหลักอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ท่านท่าช น, นทั้งหลายฟังเนี่ยว่ามันเหมือนกับขนมไทยเนี่ยมันมีกะทิมันมีความหวานและมันความเหนียวก็จะเรียกชื่อยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่าส่วนผสมทั้งสามประการเนี่ยมันก็มีตอนรรมาปฏิบัติทั้งหมดเราต้องเห็นต้องเห็นสติต้องเห็นสัมัญ ญ, ญาต้องเห็นความเพียร ถ้าไม่งั้นยางไงคือคือมันมันไม่ขยือนะแล้วเราก็วิเคราะห์ตรวจสอบอะไรไม่ได้แต่เราไม่มีสติเป็นตัวระลึกไม่มีปัญญาเป็นตัวพินิตพิจารณาแล้วก็ไม่มีความพยายามเป็นพลังขับเคลื่อนนำจิตไปเนี่ยเราจะพิจารณาเราจะประเมินผลเราจะสรุปผลอะไรได้ไงพุทธการประเมินผล ตอนนี้ก็ไปบรรยายวิชาการบริาหารการจัดการองค์กรเชิงพุทธแกนักศาาึกษาปัญญาเอกก็พูดไปสองสาครั้งก็อาาธิบายเขาเห็นว่าจริงๆเนี่ยคนเราต้องประเมินที่ตนเองก่อนคือตรวจสอบที่ตัวเองก่อนนะคือคนคนเราลืมคิดไปมันที่จริงมันเหมือนอะไรล่ะ มันเหมือนกับอาหารที่เรานำไปปรุงผสมกันเนี่ยก่อนจะผสมกันเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมันต้องไม่มีปัญหาหรือา จ, จะเอากระดานมาปูกันเนี่ยคือทุกแผ่นต้องปรับตัวเองมาก่อนมันไม่ใช่นิ่ ง, งมาปูได้เลยในิการการบริหารองคอ์กร ต, ต, ต่างเนี่ยเราไปคิดในเรื่องข้างนอก เราไม่ได้คิดว่าไอ้ตัวองค์ประกอบแต่ละองค์เนี่ยมันใกล้ๆกับอาคารหลังหนึ่งเนี่เสาแต่ละเสาเนี่ยต้องมีความแข็งแรงในจุดที่ตัวเองรับผิดชอบถ้าม่งานพังได้ทางหลังน่ะผลบอกว่าวิธีการของผุดเนี่ยมันไม่ได้ไปมองข้างนอกมันมองที่ตัวคนแต่ละคนซึ่งเข้าไปเป็นสมาชิกในองค์กรเนี่ยมีคุณภาพมากพอไมล่ะ ถ้าคนเหล่านี้มีคุณภาพมากพอมันก็ไม่ต้องไปจัดองค์กรอะไรอะ่ะจิตมันจะเคลื่อนไหวไปเองตามสถานการณ์คือถ้าเราจะเทียบแล้วมือกับการต่อยมวยเนี่ยหรือเล่นฟุตบอลหรืออะไรก็ไม่รู้นะหมายความว่าเราก็ฝึกตัวเราเองอะ่ะและยังต่อยมวยเราฝึกตัวเองพอเราขึ้นไปบนเวทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาต่อยอยังไง มันเป็นเรื่องการตัดสินใจในแต่ละขณะขณะขณะขณะชี้ยิบเลยนะฮะเราจะเห็นอาการสติสัมปจนยญกความเพี้ยนที่ไหลนุ่นเรื่องกันอยู่เนี่ยแล้วสมมุติตอนมันเกิดขาดสติทางเปิดทีเดียวเพื่อนก็นอกหละกเพรามันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องว่าต้องบวชต้องนั่งกรรมฐานต่ออะไรมันเป็นเรื่องวิถีชีวิตมนุษย์เราอย่าลืมว่าธรรมะมันเกิดมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดมาก่อนศาสนาทั้งหลายในโลกเนี่ย เขาจะมีชื่ อ, อยังไงเขาก็ไม่รู้เลยนะว่าธรรมะจริงๆเขาไม่มีชื่อก็ เ, เป็นสภาวระธรรมเท่านั้นเองเรามาเรียกเขาด้วยภาษาบาลีเราก็เรียกอย่างนี้แหละพอ ม, มาถึงผู้คนไทยเราก็แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็พยายามบางคำก็พยายามอธิบายทำความเข้าใจากันมันถ้าเรามองธรรมะเป็นวิถีชีวิตธรรมะก็คือชีวิตวอะพูดง่ายคือชีวิตอะ แล้วคนจะไม่ไปคิดแสวงหาธรรมะจากข้างนอกแต่จะมองธรรมะจากข้างในจะดขูข้างในจิตตัวเองเพราะโดยธรรมาตัวนี้มันจะจ ะ, จะมีการประเมินผลที่จิตตัวเองไม่ใช่ประเมินจากข้างนอกการรับสั่งว่าในธรรมะเนี่ยมันเป็นทางทําให้ปัญญาเจริญไม่ทําให้เกิดความคับแค้น เป็นไปเพื่อพายในพาลหรือความรูทั้กหลายก็ถ้าเราจะตรึกตรองถึงนิคัมมะในคัมมะเนี่ยที่ตกนั้นอยู่ตลอดคืนก็ดีก็ยังมองไม่เห็นภัยอันตรายอนไดที่เกิดขึ้นจากความคิดที่จะออกจากกามเรามองไปเอาสองคืนสองวันสามคืนสามวั น, ส, วนสี่คืนสี่วันจนจิตเป็นปกติคือไม่ตรึกนึกถึงเรื่องกิเลสกาม แล้วไม่คิดในเรื่องการเลยมันจะไม่มีอันตรายเลยแลยมันจะมีลักษณะเหมือนใบบัวที่ตกลงไปในน้ําเนี่ย่น้ํามันก็ซึมก็ไปไม่ได้มันก็อาจจะผัดผันได้นะฮะแต่ว่ามันซึมก็ไปไม่ได้เพราะจิตใจของคนเราเนี่ยมันก็อยู่ที่ฝึกที่ตัวจิตของคนแต่ละคนเวลาเข้าสู่ภาคสนามจะสลับซับซ้อนอยังไงจะใหญ่โตยังไงจะหลากหลายยังไง มีแรงก็ไท้กระทันยังไงมันก็อีกเรื่องหนึ่งก็ว่ากันไปแต่มีพลังจิตเข้มแข็งมากพออดทนมากพอมันก็านทานได้ผมก็รับสั่งว่าเราก็ยังมองไม่เห็นภัยจะเกิดจากในคาวิตกนั้นเลยพอตรึกนึกจองอยู่นานเกินไปเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันแม้จะตรึกถึงเรื่องกุศลก็เถอะมันก็มีปัญหาคือร่างกาย ร่างกายจะมีปัญหาแล้วมันทีจิตร่างกายจะล้าได้เหมือนกันก็รับสั่งว่าแต่ว่าเมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไปเนี่ยร่างกายก็เหนื่อยเรื่องกายเหนื่อยจิตก็ฟุง้งเมื่อจิตฟุง้งจิตก็จะห่างจากสมาธินี่ก็ธรรมดานะธรรมดาว่าการคิดอะไรก็ตามแต่คิดมากเกินไปเนี่ยจิตมันอาจจะฟุ้งได้ กายมั น, เ, นเหนื่อยได้มันเมื่อยล้าได้ก็รับสั่งว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแหละเราก็ดํารงจิตไว้ในภายในทําให้สงบทําให้เกิดสมาธิประคองจิตไว้ด้ๆีๆข้อนั้นเพราะอะไรเพราะว่าความปรารถนาไว้ว่าเนี่ยเพราะปรารถนาว่าจิตของเรา ยาวฟุ้งสั้นอีกเลยดังนี้ทีนี้จิตที่มันเป็นในคขมะเนี่ยที่จริงมันเป็นสมาธิอยู่แล้วเพราะเนคขมะเนี่ยมันเป็นสงบตัวกรมฉันตัวกรรมฉันเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์มันเป็นปฏิปักษ์กับเอกคตาคือหมายความว่าถ้าจิตเขานิ่งเนี่ยกรมฉันก็ฟูขึ้นมาไม่ได้ เวลาการที่จิตไปหลุดนึกที่จะออกจากกามเนี่ยมันจิตมันจะน้อมก็หาความสงบจิตมันจะไม่แล่นออกข้างนอกมันจะฟุง้งซ่านอยู่ที่ตัวที่ปวดที่เมื่อยที่อะไรต่างๆในร่างกายเนี่ยมันฟุ้งอยู่ตรงนี้มันก็ส่งมุ่งมัน่นก็ส่งสงบสงบสง บ, สงบอยู่ก็ดูมันจะพยายามกํากับควบคุมไม่เกิดความสงบเ่อจากนั้น ก็ส่งเหมือนเดิมนะะประคองธรรมะสามข้อเหมือนเดิมคือความไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่อย่างเนี้ยอัพยาปารสังกปะก็บังเกิดขึ้นด้วยความคิดในการไม่อาคตาไม่พยาบาทก็จะบังเกิดขึ้นทีนี้ความไม่อาคตาไม่พยาบาทเมในทางพระพุทธศาสนานั้นเราเห็นว่าท่านเรียกว่าอัโทส คือในในในอภิธรรมนะฮะท่านจะเรียกท่านจะเรียกว่าโทสะวัน์ถ้าท่านผู้ศึกษาธรรมะไปฟังอภิธรรมเอ่อท่านจะพูดอัปปมัญญาหรือปรุงมนะิญาเนี่ยท่านจะพูดแค่สองข้อท่านเรียกว่ากรุณาเจตสิกกับมุติตาเจตสิกพระอุเบขาเขาก็ไปอยู่ของเขา แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตัวเมตตาเนี่ยเขาจะเรียกว่าอาโทสัเพราะงั้นลักษณะของอาโทสัมันเป็นการผู้เริ่มต้นก็คือจิตที่ไม่คิดประทุสลายแต่ว่าเป็นจิตที่มุ่งหมายจะเห็นจะได้เห็นจะได้ยินจะได้ลงมือประพฤติกรรม เพื่ออะไรเพื่อเกิดการอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันก่อยแต่และชีวิตเนี่ยอยู่ดีมีสุขตามสุขุนกับฐานะของตนเรื่องเมตตาเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่มากๆคือสังคมเราเนี่คือฟังแล้วเราก็สลดนะฮะ แต่สำรวจตรวจถูกว่าบ้านเมืองมันเดินมานนิ่งๆมันเกิดสัมมาพันธ์อะไรประชาธิปไตยอะไรเกินมาคือสนวนแล้วก็ฝ่ายค้านก็ไปเล่นกัเขาด้วยไปป่วนบ้านป่วนเมืองจะเสียเรื่องไงดีนะมีงานจะลองครบรองรัฐ60ปีก็ในหลวงดูอยู่ข้างหน้าเนี่ยไปสลายมูลพิษ ในชาติบ้านเมืองออกไปได้ระยะหนึ่งแล้วมาอย่างนั้นแล้วก็นึกว่าสังคมเราก็คงจะแย่เหมือนกัน น, นี่คือปัญหามาจากกิเลสเราจะเห็นว่าถ้าจิตมันเกิดเป็นอโทสัตคือไม่คิดประทุษร้ายเนี่ยแบบอภิญาบาทเนี่ยมันเป็นสภาพจิตที่ไม่ประทุษร้ายในอารมณ์คือไม่โกรธไม่ปองร้ายไม่เบียดเบียน เป็นมูลรากแห่งกุศลธรรมเพะลักษณะของเขาเนี่คือคือจะชัดมากคือจะเป็นไม่ดูร้ายไม่แค้นเคืองไม่ขจัดความอาฆาตความร้อร้อนและจิตใจตัวเองก็จะสงบเย็นมีการกระทำไว้ในใจโดยโดยเหตุด้วยผลนะฮะโด ย, ยวิธีที่เจ้ง่ายว่าโกรธแค้นกันไปทำไมเพียนเบียงกันไปทำไม เห็นค่าประทุร้ายกันไปทำไมเปมนพวกคนกลุ่มที่กล่าวถึงเนี่ยามาอย่างลองคำนวณอายุนะฮะบางคนเนี่ยรู้จักนะเกิดปีกุลก็แสดงว่าเจ็ดสิบเอ็ดคนเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยมันน่าจะสงบจิตมันน่าจะเจริญพรมิหารนะคือแถเนี้ยได้กลายหกสิบกว่าหกสิบสดุ้น อายุก็มากเลยทุกทีนี่คืออะไรคือจิตที่มันประมาทพอประมาทแล้วเนี่ยมันมันเนคขมะก็ไม่เกิดอ่ะอภิาบาตก็ไม่เกิดแต่เราเห็นว่าพอเริ่มต้น ท, ที่ที่ไม่ประมาทเนี่ยพวกนี้มันจะเกิดไปเลยทีนี้ความไม่พยาบาิบาตก็บังเกิดขึ้นแล้วก็ จะเหมือนเดิมนะฮะสภาพจิตก็จะเหมือนเดิมพอจิตอยู่โดยความไม่พยายามหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันก็ก็ไม่ได้แปลอะไรจริตใจของพระองค์ไม่ได้มองเห็นโทษของความเมตตาหรือความไม่พยายามเลยแม้แต่นิดเดียวถามว่ามันอาจจะมีคนอื่นมาประทุดสายได้ไหมเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้หรอก เราห้ามที่จิตเราเกี่กับารปวิบัติธรรมะเราห้ามที่จิตเราหรือคนก็จะประทุษรายเนี่ยก็ทําได้แค่นั้นแหละแม้แต่พระเจ้า ก, ก็ยังทำลายได้เพียทําสําเร็จหรือไม่มางอีกเรื่องหนึ่งอย่างที่โบราณได้เกือนเอาไว้เนี่ยอา น, นินทาการเลมันเทน้ําไม่ชอกช้ําำมือนอมีดมากรีดถีบแม้องค์พระปติมายอย่างรายคิน คนเดินดินได้จะพ้นคนอินถาธรรมดาเั้นเมื่อเมื่อเมื่อถึงจุดหนึ่งมันเกิดเมื่อยล้ามันเกิดเมื่อยขบขึ้นมาอจิตมันก็อาจจะฟุ้งส่านซัดสายไปอยู่ที่ตัวนั้นเนี่ยไปอยู่ที่ตัวปวดปดเมื่อยก็พยายามสงบคือเพิกก็เรียกเพิกเวทนามันมาดึงจิตจากเวทนาตนั้จัจง แล้วจีจะน้อมก็หาความสงบเพราะว่าพยาบามเนี่ยพยาบาทมันเป็นปฏิปักษ์ต่อปีติเพราะงั้นการไม่พยาบาทเนี่ยมันใกล้ ก, ลกับปีติมันใกล้กับปีติโดยเหนว่าเมตตาเนี่ยมันใกล้กับมุติตาใครก็ตามที่เราเมตตาก็ได้ดับได้ดิบได้ดีมีหามีตาเราก็เกิดมุติตาขึ้นมาในเวลารวดเร็วนั่นก็คือสภาพิ พื่อพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตก็จะมุ่งเข้าหาความสงบตัลงว่าให้ลองสังเกตว่าในคขมะวิตกเนี่ยไปสงบที่กายฉันแล้วก็อพยาบาตรวิตกเนี่ยมันก็ไปสงบที่ตัวอภยาบาตรแล้วก็นำจิตเข้าหาอะไรนําจิตเข้าหาเอกเ ก, กตาการําจิตเข้าหาปิติ พอมาถึงจุดหนึ่งตรงก็ทงแสดงเหมือนเดิมแต่เรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้แต่จากนั้นอวิิงสาวิตกคือความเหนียวนึกตรึกนึกด้วยการไม่เบียดเบีย น, นะก็บังเกิดขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นพิจารณาดูจิตเออตอนเนี้อวิิงสาวิตกก็เกิดขึ้นนะ แต่อเอาผูหญิงสาวิตกคือความไม่เบียดเบียนเนี่ยมันเป็นกุศลมันเกิดขึ้นแล้วไ ม, ไม่เบียดเบียบนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นจิตมันอยู่ด้วยกรุณาตลอดหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยกรุณาชื่อนิรันดร์เป็นกรุณามาณโวคือกรุณ า, ท, าทุขวัลบรสนึกลองนึกดูนะ ว่าราช ก, กุมารพระองค์หนึ่งที่ได้รับคำทำนานายจากโคนว่าจะได้เป็นพระเจ้จาจักรพรรดิเป็นใหญ่มีมาสมุทรสเาเมะสาคอนทั้งสี่เป็นขอบเขตได้กลับไปเป็นนักบวชเร่ร่อนอยู่ในป่าถึงห้าสิบเจ็ดปีเป็นชีวิตที่ยิ่งใหญ่มากๆเรานึกถึงว่าตัวเรา มีใครบ้างไหมที่กล้าอยู่ในป่าดได้ทั้ง51ปีเนี่ยไม่มีอ่แต่ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ได้พระ ร, รานท่านอยู่ได้และอยู่ในลักษณะไม่มีอาการขนพองสยองกร้าวไม่มีการสะดุ้งหวัดวันรันพรึงอะไรแต่ประการใดแล้วก็ใครทำอันตรายไม่ได้ซึ่งในแง่ความเป็นจริงนะฮะพระเรากับสุนีนางสิขมานา สามในรีเนี่ยถูกประทุษรายทางเพศอีกเยอะมากๆากแต่มันไปอยู่ในวินญาบิดกช็ชาวบ้านตัวไปจะไม่รู้หรอกไม่จะไปได้อ่านแม้แต่พวกผู้หญิงที่ชอบเป็นพิจุนีกันอยู่เนี่ยคือแกไม่ไม่ได้ศึกษาเรื่องพิจุนีพิฝังให้ดีศึกษาสมรรถะภาษาทีกาศึกษาภิจุนีพิฝังให้ดีแล้วจะเห็นว่าเป็นชีวิตที่น่ากลัว แม้สภาพสังคมจะเปลี่ยนแต่ว่าจริงๆอันตรายในเรื่องนี้อย่างน่ากลัวเพราะมนุษย์เนี่ยมันมีกระทำย่ำยี่ต่อชีวิตต่อทรัพย์ต่อเรื่องทางเพศเรื่องบอนทำลายกันอยู่อย่างนี้แหละมันมันไม่มีอื่นหรอกแต่ว่ากับพระพุทธญาณธรรมทาไม่ได้ ภิกษุณีเราเดินป่าเนี่ยจนพระพุทธเจ้าห้ามภิกษุณีเดินไปในรูปเดียวเนี่ยเดินไปตามป่า ห, หนุ่มมันฉกเข้าป่าที่เยอะมากข้ามแม่น้ำํำเรือจ้างมาันก็ไปผมคืนเสียเลยโอ้มันมันเลวร้ายมากนะโรคโรคเี่ยวมาโหดมากเลยเพราะงั้นปัญหาเหล่านี้มันจริงจริ ง, รงไอ้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยสิ่งที่่เบื้องหลังมันมีนมความยิ่งใหญ่ มีความสำคัญนั่นก็คือความไม่ประมาทมีความเพียรมีปัญญามีปัญญามีความมุ่งมั่นไปแต่ว่าลึกจากนั้นคือบารมีนะครับารมีถึงถึง ถ, ง ถ, ง ถ, งถงใหญ่มากๆเป็นคนที่มีบารมีปกแผ่หมายความว่าไม่มีใครสามารถไปเบียดเบียนประตุสรายอะไรพระองค์ได้ การทำก็มีแหละการทำนันก็มีแต่ว่าทําไม่ได้เท่านั้นเองเพราะนั่นเอาก็จริงแล้วก็จะเห็นว่าประเด็นจุดหนึ่งมันก็อีกแหละก็คือคือเมื่อยแต่ว่าฟุง้งซ่านก็ประคาประคองควบคุมเอาไว้อธิษฐานจิตเมื่อจิตเราอย่าฟุง้งซ่านอีกเลยคือเห็นว่าแค่แค่เราสั่งจิตได้นะเราไม่สั่งมันเองอ่ะเต่างที่เรานอนไม่หลับ แล้วไม่หับเราจิตไปตั้งไว้กับอะไรสักอย่างเนี่งนอะนะาจจะเปิดบทสวดบนเบาๆนะฮะผู้คัดเสร็จต่างๆเนี่ยบทสวดอะไรต่างๆอะที่บางท่านก็ขอจากคนออกเสรีไปก็เปิดเปิดฟังเบาๆนะฮะคุณลองลองดูเถอะไม่เกินสิบนาทีหรอกหลับแล้วหลับหายไปแล้วเพราะมันมั น, นที่ จิตมันฟุ้งเนี่ยเราปล่อยมันฟุง้งเราสั่งมันบ้างหรือนายบังคับมันบ้างครูเจ้ารับสั่งว่าจิตเราอย่าฟุ้งอีกเลยก็รับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุยิ่งตรึกตรองยิ่งถึงวิตรกใดๆมากเธอก็มีใจน้อมคอยข้างวิตรก น, นั้นมากหมายความวิตกจะเป็นกุศลหรือกุศลก็ตามถ้ามันคิดมากแล้วมันไปอะพยานที่เคยบอกไว้นะว่า โดยเนื้อจริ ง, ร ง, รงว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นเดี๋ยคิดอ่ะพระเจ้รับสั่งว่าสั่งกับา拉โขบริษัทสกาโมบความดําริเนี่ยเป็นการของคนผความพยาบาทก็เป็นพยาบามของคนความเบียดเบียนก็เป็นบเบีย ด, ด, ดเบียนของคนทําไมไม่เกิดอ่ะเพราะเราคิดมาน่ะเราคิดเบียดเบียนมันก็เบียดเบียนอ่ะเราคิดใคร้มันก็ใคร้อะคิดพยายามมันก็พยาบาม เราคิดตัวเองมันไม่มีอะไรเลยนะเป็นลมเป็นแรงเท่นั้นนะเป็นอากาศธาตุเท่านั้นเราคิดขึ้นมาเองเพราะปัญหาสำคัญว่าเราคิดยังไงอย่างที่บอกเราคิดยังไงล่ะดี้ถ้าเราตึกนึกมาในทางเนคขัมมะในทางไม่พยายามบในทางไม่เบียเดเบียนนะจิตมันก็หนักไปทางกุศลมันก็เดินเข้าไปสู่กระแสะของกุศลและเราอย่าลืมนะว่า วิธีที่จะนําจิตเข้าหาความสงบเนี่ยไม่ใช่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพาวิธีเนี่ยมันเหมือนถนนนะเมื่อถนนมันะแย่ไปหมดเลยคุณรู้จุดหมายปลายทางก็แล้วกันแล้วคุณจะไปทางไหนก็ได้แลต่ใจนักคนเดินทะเลสมัยก่อนเขาก็มองดาวเหนือก็ไม่รู้อะบ้านเขาอยู่ทางด้านไหนของของของดาวเหนือแล้วเขาก็มองดาวเหนือเป็นหลักไว้ ก็ไปสู่จุดมหมายปลายทางก็ได้ผงการบรเป็นเพียรเนี่ยพอไปถึงจุดหนึ่งที่ต่อสู้กันก็รับสั่งว่าลูกกอนพิสูจนทั้งหลายเหมือนในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนเนี่ยคนเลี้ยงโคจะต้องต้อนโคทั้งหลายไปในที่ใกล้บ้านในทุกๆด้านเมื่อเข้าไปสู่คนไม้หรือไม่สู่ที่แจ้งก็ต้องทำสติอยู่เสมอ นะเพราะว่า ก, กัวโง่ปผนูตายมันมันปนกันเลยนะคนทำไมโบราณเนี่ยต้องเก่งนะคือคือพบคนเนี่ยเก่งมามากๆไอเราเป็นเด็กไอเราไม่ประสีภาษาอะไรคนขโมยโคเนี่นะแกเดินมาที่ประตูคอกแล้วแกถามว่าโคตัวไหนที่หายที่รอยท้าให้ดูเลยก็เดินไปเลย ไปเลยไปกี่กิโลก็ไม่รู้ไปยังแก จ, จะไปหาถึงที่ถึงถึงที่ที่ล่ําโคลไฟอ่ะเกง่งจริงจริงะชาวนะาธรรม ด, ดาธรรม ด, ดาเนย่งนึกว่า ค, คนคนนี้แหมถ้าเอามาใช่ในพวกราชการตารวจอะไรอะไรก็เยี่ยมมากมากนะชาวนะาธรรม ด, ดาแล้วจบปสีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เก่งอ่ะไอชาวนาเงี้ยนี่เด่นเลย เมื่อเราเห็นว่าบางทีเรานำโคสมัยนั้นนะการจะเบียดกันแล้วก็เดินไปกลางทุ่งนาไปคันนาก็แคบๆจะทํายังไงย้ายโคมันเดินลงไปในนาใช่ไหมก็จะยุ่งเพราะการประคองจิตก็เหมือนกันย้ายแหวงย้ายแกว่งไปซ้ายเกินไปไปขวาเกินไปปไปแล้วก็ลําบากเพราะโอกาสที่จะสยบจิตเนี่ยมันมันมีได้ง่าย มันก่อนก็มาทําชีตเรื่องเนี่ยการบริหารองค์กรการบริหารการจัดการองค์กรทางพุทธเนี่ยจะทําไปรูปชีตแจกก็คิดฝันเอาไว้นะว่ามันน่าจะทําไปรูปเล่มหนังสือมาแต่ดึงมาจากพระเตบิปดฎกเอามาจากพระเตบาปิฎกแต่ก็ไม่ใช่พูดใดยภาษาพระเตบิปดกนะฮะคือพยายามองค์ความภาษานั้นมาสื่อสารในภาษ า, ษาธรรมดาและต้องการให้เห็นว่า วิธีการของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันทึกจุดหนึ่งทีเนี่ยผมกล้ากลับประคองจิตมากเลยแปลงไม่ได้เลยสายไม่ได้ลยมันยังนึกถึงการสนเข็มนึกถึงการสนเข็มหรือการตายเส้นลวดสติต้องดีมากความพยายามเดี่ยวแรงต้องดีปัญญาต้องไวทุกเรื่องไหวหมดเลยก็ผนึกเป็นเนื้อเดียวกันสติสัมปชัญญะความเพียรเนี่ยฝนึกเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วก็มีสมาธิมีสัพพาประคับประคองเดินไปในที่ต่างๆงาเพราะฉเราเห็นว่าที่จริงคนเหล่านั้นเขาไม่รู้เ ข, รเขามีธรรมะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาสะท้อนธรรมะ แ, แสดงถึงความมีธรรมะออกมาเพราะการประคับประคองนําจิตเนี่ยเราเห็นว่าตัวการสําคัญเนี่ยมันเหมือนกับนาโคนะลูกโคเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับจิตอ่ะ เพราะในก า, การเชือกที่เราถือหรือประตักที่เราถือเหมือนกับสติเราต้องกำกับโคเราไปเดี๋ยวถ้ากิน้าชาวบ้านก็ยุ่งๆนะต้องประคับประคองก็นำไปสู่จุดหมายปลายทางให้ได้โดยบนเส้นทางนั้นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครนี่กเ็เป็นหลักที่ส่งแสดงไว้ในช่วงตัวเหตุนะฮะแล้วต่อไปเนี่ยก็จะจะขึ้นไปก็ธรรมะก็จะสูงขึ้นไปโดยลำดับอีกแหละเพราะว่า อย่างที่บอกว่าธรรมะในพระสูตรนนนนเนี่ยในมัชจิมินิกาเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างยากแต่ก็น่าศึกษาแ้วเพราะว่าทรงเจาะลึกลงไปในแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นประเด็นก็วันก่อนได้เล่าถึงเรื่องงานที่จะจัดตั้งที่ตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สี่แยกนนนะฮะใกล้ ใ, ใ, ใกล้กวัดลานนาบุญอ ด, ดีตเป็นปั้มน้ำมันแต่ว่าที่นำไเป็นของสับสินก็ได้ติดต่อเจ้าอะไรกันก็กำหนดไว้ตามระเบียบเ้าปฏิบัติแล้ก็ต้องการให้มีอาคาร การที่ทําการขึ้นมาสักคลังตอนนี้มันเกิดชะงักยุ่งไปหมดเลยคือเพราะว่าจริงเราไม่มีที่จริงๆมันอาจจะเป็นวิบากกรรมคือคนที่มาร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยมันส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการร่วมงานเฉพาะกิจคือในช่วงพิสาขาบูชาและบาคนที่มาทำงานกันอยู่เนี่ยก็มีไม่กี่คนนะ ว่าเราขัดข้องเรื่องสถานที่ที่จะตั้งที่จะประชุมที่จะนั่งที่จะทํางานมันไม่มีที่นั่งมาถึงก็ยืนยืนคุยกันแล้วก็ต้องไปรอเวลนี้ก็คนก็มีน้ําใจก็คือคอุณเอกเสรีปุกรมาณดรัชนีพรปุ ก, กมยากพรปุกปรมาณอธิการบดีมาชัยศรีปรทุมแล้วก็มีอาจารย์หลายๆท่านนะแสดงความมีน้ําใจอยู่ที่ศรีปทุม าก็ทราบว่ามีคุณยุวดีบุญครองก็แสดงความสนใจความมีน้ำใจคือศูนย์ส่งเสริมนวัตศาสนาประเทศไทยเป็นองค์กรที่เราสื่อสารกับสังคมไทยที่ยากขนาดมหาเศรษฐีท่านหนึ่งอนะ่ะท่านตอนนี้ท่านมีที่ดินอยู่ห้ารอยไร่ท่านจะให้แต่มีข้อแม้เราค้างวัดเราก็ไม่เอาเพราะสร้างวัดเนี่ยมันเป็นสมบัติ เหมือนกับส่วนตัวของสมภารทำงานยากมากๆเลยแล้วก็มีเจ้านายเยอะมากคือบางทีเจ้านายเนี่ยมันก็ฉลาดน้อยกว่าลูกน้องอะ่ะแต่องค์กรศูนย์เนี่ยมันเป็นองค์กรที่ใช้เหตุผลใช้สติปัญญา แล้วก็กำหนดวัตถุประสงค์ที่เดินตามรอยเท้าพระพุทธรอยบาทพระพุทธเจา้าคือจะเน้นที่ให้การให้การศึกษาการรณรง์การเชิญชวนการดำเนินกิจกรรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็เผยแผ่ศาสนาในรูปแบบต่างๆซึ่งหมายความว่าเราก็มีคนที่โรระดมได้เยอะแต่เราก็ไม่มีเงินในการดาเนินการไม่มีอาคารสถานที่ไม่มีอะไร จริงๆเราก็มีพวกเยอะเรสร้างสัมพันธมตรีไปเยอะขนาดวิเทียกรอคือความมั่นคงเนี่ยมาอบรมมันเป็นหลายพันนะครบเกือบหมืน่นเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยเลยแม้แต่เราจะนัดหมายมาพบกันเพื่อให้ท่านมีที่พักที่อยู่ที่ครบชั้นรเราก็ทำไม่ได้แล้วก็เวลามีศาสนาัยเกิดขึ้น ต้องมีมีกลุ่มหนึ่งที่มีการติดตามข้อมูลข่าวสารพฤติกรรมต่างๆที่มีผลกระทบต่อสถาบันาศาสนาึงหมายความว่าถ้ า, าศาสนากระทบหรือทุกอย่างมันกระทบหมดแล้วมันควจะมีองค์กรอะไรแล้ววันหนึ่งเนี่ยยังนึกว่าพอรัฐบาล ม, มีสักชุดหนึ่งชุดใดชุดหนึ่งที่พูดกันรู้เรื่อง แล้วก็คิดว่าถ้าสามารถพูดกันรู้เรื่องเนี่ยจะพูดง่ายนะฮะอยงสมัยพลเอกชวนิตเนี่ยถ้าแกดนั่งอยู่ได้นานๆเนะี่ยตอนนี้เราจะมีศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื้อที่ร่วมหกร้อยไร่แล้วแต่ก็เดินไปได้ิดีเดียวแล้วก็ไปไม่ได้พระองค์กรในรัศมีนี้ถึงจุดหนึ่งในรัฐบาลต้องจัดสรรงบมาให้ก้อนหนึ่งแล้วก็ระดมนักาการที่ เกษียณอายุราชิการไปแล้วเนี่ยจะยังมีศักยภาพมีไฟอยู่เนี่ยเข้ามาทาามํางานด้วยกันเพราะอย่าลืมว่างานด้านาศาสนาด้านเผยแพร่ธรรมเนี่ยมนุษย์ทักษะธรรมอะไรก็มันก็อยืนงที่ว่าเนี่ยเมืองใดไร้ธรรมอัมพาเมืองนั้นบรรลัยแน่เอ่ยเลิกพูดเลยเรื่องอื่นเนี่ยไม่ต้องพูดหรอกถ้าคนในสังคมไม่มีธรรมะแล้วก็โจกแล้วมันเลิกนับหนึ่งแล้วไม่มีหนึ่งให้นับแล้ว มันสิ่งเหล่าเนี้ยธรรมะต้องกลับมาโลกาจะสุขสันถ้าพระธรรมไม่กลับมาหลวงพ่อว่านะหลวงพ่อพุทธทาสทา่านว่าโลกาจะพิานาศมันขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยเรามาสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันมาเชื่อกันสร้างสูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยตุนเดชเสด็จท่านประมาณการเอาไว้ว่า ว่ะตกตารางว่าละตารางเม็ดนะฮะตารางเม็ดละมื่นสองพบาทในความว่าคนที่มีกำลังพอสมควรสามารถรับได้หนึ่งตารางหนึ่งตารางนี้แล้วก็เป็นเทรก ร, รมที่เป็นที่ตั้งไปที่ทำงานเป็นที่ปฏิบททัติธรรมโดยเกิดบุญทุกครั้งที่มีการใช้สถานที่เท่านั้นแก้ภูมีส่วนร่วมในการก่อสร้างทุก่อฟังเท่าไ สิ่งทำจากมาวิทยาลัยศรีปฐุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมที่บีได้ท่านทุกฟังทลายดูทัวกันสวัสดี